เรื่องที่6เดือดดานความโกรธคือความเดือดดานของจิตเป็นสิ่งที่แก้ยากแต่ป้องกันได้หากมีหลวงพ่อดีไว้ประจําตัวความโกรธคืออะไรเกือบจะไม่จำเป็นต้องอธิบายหากเราต้องการจะรู้แต่เพียงลักษณะของความโกรธเท่านั้นเพราะเราทุกคนเคยโกรธมาแล้ว และเคยโดนคนอื่นโกรธมาไม่รู้ว่าคนละกี่หนกี่ครั้งแต่ถ้าเราคิดจะเอาชนะความโกรธหรือเราไม่อยากโกรธเราก็จาเป็นต้องศึกษาเรื่องความโกรธให้ละเอียดสักหน่อยทำไมเราจะไม่อยากชนะความโกรธในเมื่อความโกรธเป็นไฟเผาหัวใจเราเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันก่อความวุ่นวายในดวงใจยิ่งกว่าขโมยเข้าปล้นบ้าน มันแผดเผาให้เราร้อนยิ่งกว่าถูกไฟลนถ้าความโกรธในใจเรามันเกิดแลบออกมาทางใดทางหนึ่งไปโดนคนอื่นเข้าก็ทำให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าถูกน้ำร้อนลวกถ้าผู้ใดได้อ่านเรื่องความโกรธที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ในคำนยาัญเาิพุทธศาสตร์ฉบับฉลอง25พุทธศตรวตรรษและในเรื่องสนิมในใจแล้วเป็นอันเลิกพูดได้เลยว่า ความโกรธสร้างความย่อยยับให้แก่ผู้โกรธอย่างไรในบทนี้ที่นี่ผมจึงของดที่จะวิเคราะห์ความโกรธอย่างละเอียดจะขอพูดตรงเข้าหาทางปฏิบัติอย่างง่ายๆที่ทุกคนทำได้เท่านั้นการแก้ความโกรธนั้นมีข้อปฏิบัติอยู่หลายชั้นหลายสถานเหมือนเราแก้อากาศร้อนภายนอกนี่แหละ เมื่อเวลาอากาศร้อนอบอ้าวเราจะทำอย่างไรอาจบึงรถหนีไปแช่น้ําทะเลเสียก็ได้เข้าห้องน้ําที่บ้านเราเองล่าเสียสักครึ่งตุ่มก็ได้ติดเครื่องปรับอากาศเข้าที่ห้องทางานก็ได้ติดพัดลมไฟฟ้าไว้ข้างตัวก็ได้หรือจะเอาแค่ซื้อพัดไม่ไผ่พัดใบตานอันละสองสลึงมาถือไว้กับตัวก็ได้ คือแล้วแต่กรลเทศะและสมถภาพของใครการแก้วความโกรธของหัวใจก็เหมือนกันอาจทำได้หลายวิธีแต่ในที่นี้ว่าแล้วว่าจะพูดเฉพาะวิธีง่ายๆที่ทำได้ทุกคนและใช้ได้ทุกคนทุกแห่งถ้าเปรียบกับเครื่องแก้ร้อนก็เท่ากับแนะนำให้ท่านใช้พัดไม้ไผ่หรือพัดใบตานอลาสองสลึงซึ่งใครๆก็พอจะสแสวงหาได้ วิธีแก้ความโกรธตามความมุ่งหมายของผมคือการทําให้ใจเราเกิดความโกรธน้อยลงหรือทําให้ไม่โกรธไม่ใช่ว่าโกรธหัวฟาดหัวเวียงอยู่แล้วแก้ให้หายไม่ใช่อย่างนั้นเปรียบเหมือนยาแก้ลมขนาดหนึ่งแก้คนขี้เป็นลมให้เป็นลมน้อยครั้งลงอย่างเช่นเคยเป็นทุกๆวันก็ให้เหลือสัก เดือละครั้งสองครั้งอีกขนาดหนึ่งแก้คนกำลังเป็นลมหน้ามืดอยู่แล้วแก้ให้หายเช่นเดียวกันวิธีแก้โกรธที่ผมพูดนี้คือแก้ความขี้โกรธให้มันโกรธห่างๆออกไปหน่อยหรือให้โกรธเฉพาะเรื่องใหญ่ๆโกรธทีก็ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่โกรธกระปิดกระปลอยเรื่องขี้หมูขี้หมาโกรธหมด ทำให้เด็กดูถูกเปล่าๆสูตรแก้ความขี้โกรธที่ผมเลื่อมใสามากที่สุดคือประพุทธวจนะที่ว่าอโกเทนะชิเนโกทังซึ่งแปลว่าจงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธใช้ได้ผลดีมากและช่วยชีวิตผมมากเหลือเกินแต่ว่าก็ว่าเถอะผมเองก็พึ่งมาได้ผลเมื่อตอนหลังนี้เองเที่แรกก็ ขอพระบาลีไม่แตกคือไปคิดเอาว่าเมื่อเห็นว่าความโกรธไม่ดีเราก็อย่ากโกรธเสียก็แล้วกันหรือไม่อีกทีก็ว่าถ้าเขากโกรธเราเราก็อย่ากโกรธเขาเราก็จะเป็นฝ่ายชนะคิดอย่างนี้แล้วก็เลยนั่งเฝ้าพุทธภาษิตข้อนี้เรื่อยมามีแต่นึกชมพระปัญญาของพระพุทธองค์ว่าพระองค์ตรัสถูกแล้ว แต่ตัวเองก็ไม่ได้มีความโกรดน้อยลงกลายเป็นว่าไปรู้ในสิ่งที่ทาไม่ได้ภายหลังจึงรู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้กระจ่างดีแล้วแต่เราคิดมากไปเองคือพระองค์ตรัสว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธคืออโกธะปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าเรามีความไม่โกรธแล้วหรือยังที่จริงความไม่โกรธหรืออโกธะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง ต้องฝึกต้องทำไว้สะสมไว้ไม่ใช่ของเกิดขึ้นเองหรืออยู่เฉยๆพอตัวโกรธจึงจะเรียกหาความไม่โกรธต่อให้เรียกจนเหนื่อยก็ไม่เจอถ้าเราไม่มีความไม่โกรธไว้ก่อนเหมือนเราไม่มีสตางค์ในกระเป๋าต่อให้ควักจนกระเป๋าขาดมันก็ไม่เจอสตางค์เพราะฉะนั้นทางปฏิบัติที่ได้ผลก็คือ เราทำความไม่โกรธไว้ตั้งแต่มันยังไม่โกรธคือทำไว้เรื่อยๆเหมือนเราหาเงินนี่แหละเราต้องหาก่อนใช้ไม่ใช่มีเรื่องจะใช้แล้วจึงค่อยหาวิธีสร้างความไม่โกรธอย่างง่ายๆมีอยู่2องวิธีในวงเล็บเท่าที่ผมทดลองได้ผลคือวิธีที่1นึกว่าไม่โกรธคือนึกในใจทำนองพูดกับตัวเองว่า เราจะไม่โกรธหรือว่าเราไม่เป็นคนขี้โกรธทีนี้พอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่พอใจก็รีบคิดดักหน้าในทันทีว่าไม่โกรธหรือว่าเรื่องนี้ไม่โกรธดีกว่าเช่นสมมติว่ามีใครเขาด่าเปเลียยเปล่าเราพอเรารู้ว่านายคนนี้กำลังจะว่าให้เราโกรธเราก็รีบนึกอย่างนี้ไว้เสมอ ให้มากที่สุดที่เราจะทำได้ไม่ช้าใจของเราจะเกิดความเคยชินคือชอบนึกบ่อยๆเองถ้าถึงขั้นนั้นแล้วก็เรียกว่าเราได้ความไม่โกรธไว้ในกระเป๋าพักออกใช้ได้ทันทีที่ต้องการเอามาดับความโกรธและเป็นอันได้รับผลจากพุทธภาษิตข้อว่าอโกธินะชินีโกทันะกทงสมความประสงค์ วิธีที่สองนึกว่าดีแล้วความจริงก็เป็นวิธีปฏิบัติควบกับวิธีที่1 น, นั่นเองคือทำให้ความไม่โกรธได้ผลรวดเร็วขึ้นเหมือนเอาขี้ใต้ล่อให้ไฟติดฟืนอย่างนั้นแหละวิธีทามไม่ยากเราต้องพยายามมองคนและสิ่งต่างๆในแง่ดีให้มากแล้วอุทานในใจว่าดีหรือดีแล้วที่เมืองอุดร มีท่านเจ้าคุณผู้เฒ่าซึ่งชาวเมืองเคารพอยู่องค์หนึ่งซึ่งผมเองเป็นคนต่างเมืองก็เคารพท่านมากเหมือนกันคือท่านเจ้าคุณธรรมานุยุทธวัดมัชชิมวัตรชาวเมืองถวายฉายาท่านว่าหลวงพ่อดีเพราะท่านมีปกติมองแง่ดีของสิ่งต่างๆและพูดว่าดีหนอเสมอเสมอคราวหนึ่งผมไปพักอยู่ที่อุดรและไปส่งท่านที่สถานีรถไฟ ตอนนั้นกำลังอยู่ในระหว่างสงครามต่พอท่านไปถึงสถานีคนที่ส่งล่วงหน้าไปซื้อตั๋วไว้ก่อนรายงานท่านว่าตั๋วหมดเสี็จแล้วไปเที่ยวนี้ไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าดีแล้วก็วรอผมถามท่านว่าดียังไงครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีที่จะได้นอนที่วัดเราคืนนี้ แต่พอกำลังเตรียมตัวจะยกกระเป๋ากลับวัดก็มีคนมาบอกว่าเขาจะไปพูดกับนายสถานีเองได้ไปแน่หลวงพ่อก็พูดว่าดีหนอแล้วก็นั่งรอเจ้าคุณอริยะคุณาทานซึ่งยืนอยู่ด้วยกันก็ถามท่านว่าดียังไงหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าดีที่คืนนี้จะได้ไปนอนที่ขอนแก่น สักครู่ใหญ่ๆคนที่อาสาไปหาที่นั่งให้หลวงพ่อวิ่งมาบอกว่าคนขึ้นไปแน่นหมดแล้วละ่ะหลวงพ่อไม่มีแม้แต่ที่จะยืนหลวงพ่อไปไม่ได้หรอกวันนี้หลวงพ่อบอกว่าดีหนอแล้วก็รอผมก็ถามท่านอีกว่าดียังไงครับหลวงพ่อท่านก็ตอบว่าดีที่คืนนี้ไม่ต้องไปนอนที่ขอนแก่น ถ้าคิดอย่างหลวงพ่อนี้ก็คงจะหาเรื่องโกรธไม่ได้ที่ผมยกเอาเรื่องของท่านมาอ้างอิงในที่นี้เพราะผมถือว่าท่านเป็นผู้ให้ของดีผมมาใช้ประจำตัวจริงอยู่ท่านผู้อื่นไปหาหลวงพ่อท่านไปได้พระเครื่องหรือตะกรุดพยนานาท่านเหล่านั้นก็นึกว่าตนได้ของดีจากหลวงพ่อสาธุด้วย แต่ของดีที่ผมได้จากหลวงพ่อคือปฏิปทาดีหนอของท่านนี้เองและเท่านี้ก็พอแล้วสําหรับที่ได้จากหลวงพ่อองค์นี้เพราะปรากฏในภายหลังว่าผมได้ชัยชนะโดยอาศัยดีหนออย่างมากมายเกือบจะทุกวันก็ว่าได้พวกที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็มีอยู่อีกเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะลูกศิษย์หลวงพอดี เจ๊กขายก๋วยเตี๋ยวก็คงจะบำเพ็ญตนอย่างนี้กระมังเห็นห่อเรื่อยเจ๊กอ้วแห้งชามน้ำชามห่อนี่เมื่อไหร่จะได้ห้อของอ้วกินวันนี้นะห้อแ ห, หมชา้าจริงหิวเส้จะขาดแล้วหรือสั่งอะไรอ๋อบอกว่าแห้งชามน้ำชามห่ อ, หอ แบบห่อนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ดีสำหรับทำไม่ให้ตัวเองโมโหถ้าห้อมากๆนักบางทีก็กวนโมโหคนอื่นเหมือนกันประเดี๋ยวเอาก็จะลำบากต้องระวังหน่อย